ธรรมชาดกแผ่นที่9าลำดับที่10โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่5กุมภาพันธ์ 2,557 มีชื่อเรื่องว่าสามาวดีมีกรรมวันนี้เป็นวันที่ห้า กุมภาพันธ์พุทธศักราช2557วันนี้หลวงพ่อจะแจ้งข่าวเรื่องที่พวกเราวัดของเราได้ช่วยการกุศลแต่ถ้าว่าหลวงพ่อไม่แจ้งให้พวกลูกหลานฟังลูกหลานก็คงเจะที่ว่าเออพวกเราถวายจจตุปัจจัยหลวงพ่อแต่ละวัน แต่ถึงจะไม่มากก็มีผู้ถวายหลวงพ่ออยู่หลวงพ่อจะเก็บปัจจัยเหล่านั้นไปไว้ที่ไหนเนาะหลวงพ่อจะใช้เงินเป็นหรือเปล่าฮะลูกหลานบางคนอาจจะเป็นทุกเป็นร้อนกับหลวงพ่ออีต่างหากกลัวหลวงพ่อใช้เงินไม่เป็นฮะเพราะนั้นหลวงพ่อจะแจ้งข่าวอที่หลวงพ่อใช้เงินให้ลูกหลานได้ทราบนะเอาเมื่อวานในละก่อนนะเมื่อวานในโรงเรียนยูงทองพิทยาคมเอ ก่อนหน้านี้ในช่วงพรรษาทอดผ้าป่าหลวงพ่อไปเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ก็หาทุนเพื่อซื้อรถเพราะว่าโรงเรียนใช้รถโคโลคอนสง่งรถสองแถวไม่ใช่รถหรูหา R, ราโออาเนี่ยแหละรถบรนนอกแต่ก็ซื้อรถเก่ารถมือสองจะโอนเข้าเป็นของรัฐบาลก็ไม่ได้เพราะมันรถเก่าแต่นี้ก็เมื่อไม่เป็นของรัฐบาลค่าใช้ใจ่าย น้ำหมูกะมันทั้งหลายก็เป็นของโรงเรียนโรงเรียนขอรับภาระจากนั้นก็ได้ไประชุมกันกันมาหาหลวงพ่อทอดพระพาเพื่อจะซื้อรถก็หลวงพ่อก็เป็นประธานให้ก็หาเงินเกือบรถคันนี้ประมาณล้านสกว่ากว่าแต่นี้ก็หลวงพ่อเป็นประธานก็ได้เงินมาเกือบล้านทั้งลูกหลานทั้งนักเรียนรุ่น เก่าที่ออกไปทำการทำงานแล้วก็เขาก็มาช่วยกันทั้งพี่น้องประชาชนพ่อแม่ของนักเรียนด้วยครูบาอาจารย์พระสงฆ์ด้วยแต่เหมือนเกินเกือบล้านแต่ยังไม่พอแต่เมื่อวานเขาก็เลยขายรถที่เขามาเมื่อวานเนีออ่ยผอทั้งคณะครูนักเรียนมารถหลายคันก็ามาหาหลวงพ่อว่ารถคันเก่าก็ได้ขายไปแล้วแสนกว่าบาทเพื่อจะเอารถคันเก่ามา มาซื้อรถคันใหม่แต่ถึงยังไงก็เงินก็ยังขาดอยู่แต่มากราบเรียนหลวงพ่อเท่าไรก็รถคันนี้ราคาหนึ่งล้านสี่แสหพบาทแต่นี่ยังเงินยังขาดอยู่4ี่แส0 0 0งหานสบาทเงินยังขาด ยังขาดยังไม่พอหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อเออเอาหลวงพ่อจะรับเป็นภาระให้นะเดี๋ยวทางวัดของหลวงพ่อจะรับเป็นภาระให้จะให้พอเป็นอนุ瓦 ว, วัดของเรานะได้ช่วยลดโรงเรียนยุงทองพิทยาคมโรงเรียนมัธยมประจําอําเภอนายงเนี่ยจะซื้อลถคันใหมออ่พวกเราวัดของเราสมทบเข้าไปสี่แสนสี่สบแปบาทนะ หลวงพ่อก็จะจัดการแต่เมื่อวานวันก่อนก็ไปไประชุมเกี่ยวกับเจดีของหลวงพ่อคูณสุเมโทโออเภอบ้านผือนั้นก็ขาดเงินอยู่ห้าล้านแต่ก็รวมกันในวันนั้นวัดของเราก็ได้เสียสละออกไปอีกสองแสนแล้วก็โยมเสียต้อมมาสมทบเข้ามาอีกสองแสนห้าเราก็ได้โอน เข้าบัญชีเพื่อสร้างเจดีเมื่อวานเนี่ย 450,000 อันนี้กอันนี้ก็คือการทำบุญเกี่ยวกับพระพุทธ ศ, ศาสนาอ่าก่อนหน้านี้ที่พวกเราไปจัดงานศดีละของหลวงปู่จามมหาปุญโยอันนั้นไปว่าวัดของเราเนกระเป๋าฉีกแล้วนะจตายาิโยมไม่รู้อะไรแต่ไม่อะไรจนงานหลวงปู่สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีหมดไปหลายเงินีเดียว หลวงพ่อก็เลยไม่อยากจะคิดมันอีกต่างหากในการค่าใช้ใจ่ายพ่อถือยังไงก็เป็นการบูชาพระคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระคุณของท่านเหนเหลือล้นคารนาเรื่องปัจจัยของเราใน่ยเจ็บจ้อยนะเรื่องปัจจัยที่ได้มาของเราใน่เจ็บจ้อยแต่พระคุณของท่านน่ยมหาศาลเพราะนั้นพวกเราได้ร่วมถวายงานของหลวงปู่จามก็ พอสมควรแล้วก็ต่อมาอีกหลวงพ่อก็ไปเพชรชบูรณ์เขาทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์หลวงพ่อก็ได้นําปัจจัยไปทีแรกคิดว่าจะถ้าว่าเขารวยแล้วก็คงจะไม่ให้ถ้าเขาบอกพอมีอันจะมีเข้ามาเราก็จะสมทบไปตามสมควรแต่พอไปเห็นแล้วมันขาดจริงๆเท่นี่เครื่องมือเกี่ยวกับ จะซื้อเครื่องมือทําตาให้กับพวกโรคบาะวานจะใช้ประมาณห้าล้านสําหรับโรคบระวานมันเป็นเครื่องมือละเอียดอ่อนเกี่ยวกับตาเพราะตาบอดง่ายๆโรคบาะวานจะได้เงินห้าล้านหลวงพ่อก็เลยเอาไปสองแสนหลวงพ่อก็เลยมอบให้ทั้งสองแสนเมื่อเทศลงมาเทศแสดงธรรมจบมีคนถวายอีกประมาณหกเจ็ดหมืน่นหลวงพ่อก็เลยมอบเพิ่อีกทั้งหกเจ็ดหมืน่นอีก แปลว่าเกลี้ยงกระเป๋าเลยกลับมาวัดนีอย่างนั้นแหละหลวงพ่อไปนสถานที่ใดก็ได้ช่วยเหลือชุมชนสังคมอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวให้กับลูกหลานได้ฟังเพราะนั้นเวลาลูกหลานมาทําบุญแต่ละครั้งกับหลวงพ่อหลวงพ่อก็ได้แจกถวายไปอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวให้กับลูกหลานได้ฟังแต่ว่าหลวงพ่อไม่พูด ลูกหลานลูกหลานทั้งหลายคงจะไม่รู้เหมันกันว่าค่าใช้ จ, จ่ายของหลวงพ่อเนี่ยเป็นยังไงแต่เรื่องภายในวัดหลวงพ่อไม่ต้องพูดถึงค่าน้ําข้าวไฟไม่ฟรีนะลูกหลานนะค่าใช้ จ, จ่ายทั้งนั้นแต่ถึงยังไงหลวงพ่อก็ไม่ได้หนักใจในสิ่งเหล่านี้เพราะหลวงพ่อไม่ได้สแสวงหาวัตถุภายนอกยิ่งกว่าธรรมธรรมะคือคําสอนที่จะได้สําเร็จมรรคสาเร็จผล หลวงพ่อมั่นใจว่าพระธรรมยอมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้อดอยากพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่วหลวงพ่อมั่นใจอย่างนั้นเพราะนั้นหลวงพ่อจึงอยู่ในสถานะที่ว่าเป็นพระสงฆ์มีอะไรก็ใช้ตามอัตภาพมีมากก็ใช้เนาะมีมากก็ใช้มากมีน้อยก็ใช้น้อยฮอยู่แบบสมถะอยู่อย่างพระ ถ้าอยู่อย่างพระอย่างหลวงพ่อนี่สบายไปอีกอย่างนะแต่คณะพวกเราสัตยาญาณโยมทั้งหลายจะอยู่จะใช้แบบพระนี่ก็คงไม่ได้ต้องพึ่งพาอาศัยตนเองต้องขยันนระให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บให้รู้จักใช้นี่แหละเศรษฐกิจพอเพียงนะเศรษฐกิจพอเพียงนะคือให้รู้จักหาอยากขี้เกียจในการหาหาในทางสุดจริต ทำไงสุดจลิตอย่าไปโคดอย่าไปโกงอย่าไปป้นอย่าไปวี่อย่าไปเปียดไปบังอย่าไปคอรับชั้นให้ซื่อสัตย์สุดจลิตในการหาในมือหาเงินได้แล้วให้รู้จักเก็บเป็นบางส่วนและก็ให้รู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์ถ้าใช้ไม่เป็นก็นเสียหายนะทำให้เดือดร้อนตนเองเหมือนกันเพราะเหตุไรเพราะได้เงินมามากๆ นะพอได้เงินมาแล้วนะหาด้วยคว า, า, า, ามย า, า, ากลําบากมาแล้วเนี่ยพอได้เงินมาแล้วเนี่ยไปหาซื้อคัญชายาฝิ่นเฮโรอีนยาบ้ายาม่ามาเสพมากินได้เงินมาแล้วอทําให้ตัวเองติดคุกติดตารางไปอีกเพราะใช้ไม่เป็นมากกว่านั้นคนนู้นนะ่ะได้เงินมาแล้วก็โมโหโกธาโกรธพยาบาทอาฆาตคนอื่นเ้าอ่จ้างคนอื่นไปฆ่าคนอื่นเขา เงินที่หามาได้มาได้ด้วยความยากลำบากก็ทำให้ตัวเองติดคุกติดตารางเป็นคนเลวได้ไง่ายๆเหมือนกันเพราะไม่รู้จักใช้เนเพราะนั้นการใช้ก็ต้องให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองประโยชน์ต่อพี่น้องลูกหลานประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยเรื่องวัตถุแต่ถึงอย่างไงทางด้านจิตใจระ่าการสร้าง การเป็นอยู่ของพวกเราในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาท่านให้เสือ้อเสื้อกำกำคือการกระทําทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วถ้าใครทํากรรมชั่วแล้วจะดีจะดีได้ที่ไหนถ้าทํากรรมดีแล้วจะชั่วได้อย่างไรกรรมชั่วอย่าทําเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําแล้วจะทําให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลัง ในพุทธภาสิท่วาอากตังทุกตังเยโยปัชชาตปฏิทุกตังกรรมชั่วอย่าทำเสเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทำแล้วจะทำให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังให้พวกเราคิดดูให้ดีนี่แหละคือทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอมตะ ว, วาจาตัดไว้ถึงสอง0ันกว่าปีถ้าเรานำมาคิดดูแล้วก็จริงทุกประการ ท่านก็เปรียบเทียบในครั้งพระพุทธเจา้าท่านเปรียบเทียบเรื่องพระนางสามาวดีให้พระนางสามาวดีถูกนางมาคันธิยาให้อาของตนเองมาเผาปราศาสตร์นางสามาวดีเป็นอครมเหสีของพระเจ้าอุเทนแต่กมอค拉มเห ส, สีสองอิดฉากัน พระนิสสุก็เลยเผาป่าจ่าราชมณฑีร์ของพระเจ้าของนางสามาวดีไม่มอดไวายไปหมดทั้งบริวารก็ตายทั้งห้าร้อยอีกต่างหากพระสงฆ์ทั้งหลายได้กราบทูลพระพุทธเจ้าวพราะนางสามาวดีเป็นพระโสดาบันเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าแล้วก็ถูกไฟเผาในราชมณฑีรในเวียงวังอีกต่างหาก พระสงฆ์ทางหลายก็แปลกใจทําไมทํากรรมอะไรจึงเป็นอย่างนั้นพระพุทธองค์ว่ากรรมกรรมคือการกระทําทําไมกรรมหนักอย่างนั้นพระเจ้าข่าพระองค์บอกว่านางสามา ว, วดีสมัยก่อนเป็นอัครมเหสีของพระเจ้าพร ม, มทัตแต่ี้พระเจ้าพร ม, มทัตท่านดูแลพระประเจกิตรเจ้าแปดองค์ที่เข้ามาฉันและเวียงวางเป็นประจํา จากนั้นพอออกพรรษาแล้วพระประเจกพุทธเจ้าก็าลาลาพระเจ้าแผ่นดินไปกลับไปอยู่ตามที่พระประเจกพุทธเจ้าอยู่ที่ป่าหิมะพานจากนั้นมีพระประเจกององหนึ่งในแปดองค์นั้นท่านก็เห็นว่าในภูเขาเราหนะ้าคงจะหนาวเขาบางท่านคงจะมาเข้าไป เข้านิโรธสมาบัติอยู่ในฝั่งแม่น้ำํำน่าคงจะเป็นกอไผ่หรือว่าเป็นพงหญ้านะเป็นที่มืดคืมพระประเจกยรพุทเจ้าก็เข้าไปเข้านิโรธสมาบัติตรงนั้นแหละท่านก็นตั้งจิตอธิษฐานดูเจ็ดวันนะ่ะคือพระประเจกยรพุทธเจ้าเนี่ยเวลาเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยท่านท่านจะตั้งจิตอธิษฐานว่าร่างกายของเราอย่าให้มีอะไรเกิดขึ้น ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นอย่าได้มีอะไรเสียหายคือตั้งคิดในิษฐานคล้ายๆว่าพระพเจริญพุทธเจ้าท่านไปหาที่ปลอดภัยที่ปลอดภัยแล้วก็ท่านเกาไปเอ า, เ, อา เ, อาเอารถไปจอดไว้ลักษณะอย่างนั้นนะถ้าเราเปรียบเทียบให้เห็นอย่างชัดๆก็คือเอารถไปจอดไว้ในที่ปลอดภัยพอปลอดภัยเสร็จแล้วพระพเจร ก, ก็เดินออกจากรถเข้าไปสู่สวยวิมุตติสุขคือเข้าสู่นิพพาน อันนี้เราว่าอุ ป, ปาทิเสสนิพานนิพานยังมีชีวิตอยู่แต่ยังไม่ตายยังไม่มรณภาพแต่ร่างกายยังอยู่แต่พระองค์ท่านเข้าสู่นิพานนะว่าอุ ป, ปาทิเสสนิพานร่างกายยังมีอยู่แต่เข้าสู่สวยความสุขคือนิพานอะนุ ป, ปาทิเสสนิพานคือนิพานคือร่างกายตายตายแตกอย่างว่าท่านมรณภาพ ไปจากนั้นก็เข้าสู่นิพพานนี่วะอนุปาทิเสสนิพพานอุปาทิเสสนิพพานก็คือนิพพานอยั ง, งทรงธาตุขันอยู่เอารถไปจอดไว้ก็ออกจากรถไปเข้าสู่นิพพานเศวยวิมุตติสุขพระพิเจอท่านเกาเข้านิโรธจมาบัติกับลักษณะอย่างนั้นท่านไปจอดเครื่องไว้ใ น, ในที่ปลอดภยัยแต่ทีนี้อคคมเหสีของ พระเจ้าพมรทัศน์กับพระเจ้าพมรทัศน์นะเมื่อหมดภารกิจและทั้งเกาะในการดูแลพระพเจกพุทธเจ้าแล้วทั้งเออมาอาบน้ําในแม่น้ํำพออาบน้ําในแม่น้ําสนุกสนานเขาก็คงจะกันไว้พวกทหารตำรวจเขาคงจะกันไว้เนี่ยให้เป็นที่เล่นน้ําของอัคคะเห์ศสีและพกสนมนารีเนี่ยเป็นถึงสี่ห้าร้อยพออาบน้ําเสร็จก็นหนาวเลยทีนะี้ ผลลงแม่น้ำํำหนาวขึ้นมามองไปมองมาพอเห็นอกอไผ่เรียกว่าพงหญ้าที่มันตายขุยน่ะจ๊่มันพงหญ้าจากนั้นก็จุดไฟเผาะเพื่อสิงไฟแต่เนี้เขาก็ไม่ได้เห็นว่าเพราะพระประเจกอยู่ที่นั่นนะพราะประเจกอยู่ในในพงหญ้านะั่นนะพอจุดท่านึงไฟเผาทนไฟเผาแล้วก็ผิงไฟกันพอไฟยกลงไปไปเห็นพรประเจกนั่งเออ นี่แหละคือว่าพระเบเจกเนี่ยถึงเจ้าไฟใหม้ก็ไหม้หมเพราะท่านตั้งจิตอธิษฐานโดยอิทธิฤทธิ์ของท่านแต่ท่านก็นั่งอยู่อยู่ธรรมดาอันนี้คือไม่เจตนาเนี่พอเห็นไม่เจตโอ้ตายพระประเจกพุทธเจ้าท่านเป็นที่เคารพของพระเจ้าแผ่นดินถ้าท่านรู้ว่าพวกเราเอาไฟเผาพระประเจกพุทธเจ้าอย่างนี้แหละเมื่อ รู้ถึงพระเนตรพระกันพระเจ้าพรมธาตุเข้ า, าไปยละตายแล้วพวกเร า, า, นาเนี่พวกเราก็คงจะโทษคณะหนักเพรเผาพราะประเจกเนี่ยเอาเถอะพวกเราหาฟื้นมาเองคนทั้งห้าร้อยใช่ไหมใครเห็นที่ไหนฟืน้นในละแวกนั้นกัขนเข้ามาก็โยนเข้ามาสก็สมใหญ่เลยท่านเพื่อให้ใหไหมพเพระประเจกพุทธเจ้าใช่พอสมเข้าไปแล้วก็ต่างคนก็ต่างกับเวียงวังแหละ พอกลับไปพระประเจกพุทธเจ้าอย่างที่ได้พูดเบื้องต้นว่าถึงใครจะทอนทุบอะไรก็าตามร่างกายพระประเจกพุทธเจ้าจะไม่มีการละคายผิวเลยอันนี้โดยอิทธิฤทธ์โดยบุญบา ร, รมีหรือว่าด้วยจิตอธิษฐานของพระประเจกพุทธเจ้าจากนั้นพอนางบเรานั้นกลับไปแล้วก็พระปฏิเจพอถึงกาหนดเจ็วันพระปฏิเจก็ลุกขึ้นมาสบัด ผ้าจีวร อ, ออกแล้วท่านก็เดินตามปกติไม่มีอะไรที่จะรักคายและเคืองผิวของท่านเลยแม้แต่น้อยเดียวอันนี้คืออำนาจอิทธิฤทธิ์ของพระปเจกพุทธทเจ้าแต่บาปกรรมตอนนั้นนะสิเนีนางที่เป็นหัวหน้าออกจากชาตินั้นเราก็ลงไปงสู่อเวจีมหานรกเนีแล้วก็บริวานก็นตกนรกไปด้วยแล้วก็ถูกเผาไฟไปด้วยพอมาเกิดพนี้ชาตินี้ นางสามาวดีเป็นอัคร ม, มเหสีของพระเจ้าอุเทนที่หลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังว่าที่นางหัดนกขัดจีดีลิงนี่แหละพระเจ้าอุเทนอง์นี้แหละจากนั้นกระถูกเผาในปราศาสตรทั้งบริวารทั้งหา0ร้อยเพราะว่ากรรมคือการกระทำได้เผาพระประเจกพุทธเจ้าที่ฝั่งแม่น้ำแต่ตามไม่จริงทีแรกไม่เจตนาการไม่เจตนาเนี่ยไม่เป็นบาป เมื่อเผาเสร็จแล้วเห็นพระประเจดนางอยู่โอ้ขอโทษขออภัยอแล้วดูท่านแล้วก็เป็นยังไงแต่นี้ไม่เป็นอย่างนั้นทลย เ, เพื่อเผาให้ไหม้ไปเลยเนี่แหละบาปกรรมตัวที่สองเนี่ยมันหนักนี่แหละอันนี้พระพุทธองค์ท่านบอกว่านางสาว ม, มาวดีที่ถูกเผานะั่เพราะว่าสมควรแก่กรรมที่ตนได้กระทําไว้ในอดีตเนี่ยนี่แหละกรรมในหลักของพุทธศาสนาเนี่ย ท่านเน้นไว้อยู่เสมอกรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเพราะคมชั่วเมื่อทำแล้วจะทำให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังจากนั้นพระสงฆ์ท่านก็ได้ถามว่านางลูกน้องของนางสามาวดีเนี่ยเป็นผู้แตกฉานในพระไตรปิฎกแต่ร่างกายค่อมแล้วก็ได้สำเร็จพระโสดาบันแล้วทำไมมาเป็นคนใช้คนรับใช้ ของนางสามาวดีพระพุทธองค์บอกว่ากรรมกรรมคือการกระทําของนางนางคุคชชะ ช, ชุตตาคุดคุดชะชุตตาเป็นคนใช้ของนางสามาวดีพระองฆ์ก็ถามว่ามันกรรมอะไรพระเจ้าข่าพระพุทธองค์บอกว่านางนี่เป็นคนข่อมคือคนหลังค่อมอคือพระปฏิเจก c t พุทธเจ้า มามาชั้นในตระกูลแต่พ่อประเจกหลังค้อมนางนี่ก็เลย เ, เมื่อพ่อพระเจกยังมาไม่ถึงนางก็เอ า, าผ้ากำพลคุมตัวแล้วก็ทําเหมือนข้าพพระเจกหลังค้อมนางพประเจกของเราพระผู้เป็นเจ้าของเราหลังค้อมอย่างนี้นะ ก, หะกน็หัวเรา ะ, ะกันฮหัวเราะเยาะกันเกิดมาพบใรชาติใดนางก็เลยเป็นคนหลังค้อมมาตลอดนั่นแนหะพวกเราท่านทั้งหลายอย่าไปทํานะอย่าไปล้อเลียนนะ กองไฟคือผู้มีบุญบรารมีแต่ทําทคนธรรมดาก็ไม่เป็นไรแต่ทํากับพระปเจกพุทธเจ้าวหรือพระทหารทสาวกเนี่ยเป็นบาป ก, กรรมแต่นางทําไมจึงเป็นผู้มีปัญญาพระพุทธองค์บอกว่านางสมัยหนึ่งนางเป็นผู้ที่เป็นอัครมเหสีของพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินท่านก็ทําอาหารถวายพระประเจกพุทธเจ้า ทีนี้ทําตักอาหารร้อนๆใส่บาดพระประเจกผู้ไดเจ้าก้อนร้อนอน่ยร้อนมือนางคนที่ไหนนางคุคุชาเนี่ยเห็นว่าพระพระเจกอุ้มบาตรเหล็กน้ําร้อนนางก็เลยถอดกําไลแขนยื่นให้พ่อถวายพระประเจกบอกว่าให้ลองให้ลองก้นบาดบริวารทั้งหลายก็ถอดกําไลแขนเหมือนกันคงจะเป็นกำไลใหญ่พอสมควรให้ลองก้นบาด เพื่อให้มันร้อนนะนี่แหละอันนี้คือนางคนนี้ใช้ปัญญานะเ อ, อถวายพระประเจกพุทธเจ้านางจะเป็นผูแ้แตกฉานในพระไตรปิฎกพอได้ใช้สติใช้ปัญญาบำรุงพระประเจกพุทธเจ้านะแต่้ทําทไมนางจะเป็นคนใช้ออพระสงฆ์ก็ถามสักไ้ไ้เลียงคะพระพุทธองค์บอกว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสมัยหนึ่งมี พิกุนีท่านหนึ่งรู้จักมักคุ้นกับตระกูลของนางคุคุชานี่นะนางไปบวชก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์เต็มเป็นผู้มีแตกฉานด้วยปฏิสัมพิษพิทายานอีกต่างหากวันหนึ่งท่านก็เลยอยากจะมาเยี่ยมตระกูลของตัวเองที่เคยอยู่รู้จักมักคุ้นพอเข้ามาในนางคุคุชานี่เป็นธิดากำลังแต่งตัวสวย กําลังสองอยู่หน้าในกระจกอพอนางพิกชชนีขึ้นไปพอขึ้นไปก็ไม่มีลูกน้องบริวานนางคุชุชาที่จ้องกระจกไม่มีลูกน้องอะก็เลยอยากจะได้กระเช้าเครื่องแต่งตัวที่ห่างจากตัวไปอก็เลยบอกว่าพระแม่เจ้าขอหยิบกระช้าให้หูหน่อยนางพิกษุณีก็บอกอื นางคู่ชุดชามาใช้เรามาใช้เราแต่ก็ถ้าเราไม่ไม่หยิบให้นางก็จะโมโหโกรธความโกรธตอนนั้นน่ะนางจะไปตกนรกแต่ว่าเมื่อเราหยิบไปให้หยิบไปให้นางนางก็ได้ใช้แต่นางจะได้เป็นคนรับใช้คนอื่นตลอดนานเท่านานเพราะกรรมที่ตนเองได้กระทำในครั้งนี้เอาเถอะอย่าไปถึงกระตกนรกเถอะ เ, เพียงแต่ใช้กรรม เป็นคนใช้คนอื่นก็ยังดีนี่ยนะนางพิกษุดีท่านรู้อดีตอนาคตทั้งหมดท่านก็หยิบกะเช้าเครื่องแต่งตัวให้นางคุ ช, ชุดชุชานะที่หลังค่อมที่ว่าเนี่ยนางก็เลยได้ใช้กรรมตัวนั้นเนี่ยแหละหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาสนี่ท่านเน้นเรื่องกรรมกรรมคือการกระทำทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วการทากรรมไม่ใช่ทา เกิดมาในชาตินี้ชาติเดียวในอดีตแต่ชาติก็มีเพราะพระพุทธเจ้าได้ค้นคว้าศึกษา เ, เมื่อที่ท่านได้ตัดสรุ้เป็นพระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณที่โครนต้นโพท่านบอกว่าปุเพนิวาสานุจติญาณละลึกชาติถวนหลังได้เนี่แหละในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีก หลวงพ่อยังเปรียบเทียบให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังว่าร่างกายเหมือนกับรถแต่จิตใจเหมือนกับคนขับรถคนขับรถนี่ออกจากร่างเมื่อรถคันนี้พังแล้วเราไปออกไปหารถคันอื่นต่อไปถ้ารถเจ้าของรถเป็นผู้มีความขยนมันหมั่นขยันอดทนหาเงินเมื่อออกจากรถคันนี้แล้วโซเฟอร์นั่ก็มีเงินไปซื้อรถคันอื่น ได้ดีกว่ากว่ารถคันนี้แต่ถ้าว่าโซเฟอร์ขี้เกียจไม่เชื่ออีกต่างหากว่าตายแล้วเกิดโซเฟอร์ออกจากรถคันนี้แล้วก็จะไปสู่ความทุกข์กยากลาบากนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะในหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนานานๆหลวงพ่อจะพูดให้ฟงังว่ากรรมกรรมคือการกระทาทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว กรรมชั่วจะทำเฉลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทำแล้วจะทำให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังนะรถคงอยากจะให้หลวงพ่อหยุดมั่งอรพวกเรารับพอนนักธนีนารถมันร้องแล้วพอ่อหลวงพ่อพอว่างันนะ